มิ لاه الرحمن الرحيم อินน الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهبه الله فلا مضلله وما يضل فلا هاديا أشهد أن لا ل ه إلا الله و ه لا ش ي ك له وأشهد أن محمدا عبده و ر س ل ه ا ل ل ه ِ وَبَرَكَاتُهُ ทีน้องที่ร่วมน้าตั้งเชเรียมาสุบเรีอีน่เรียกว่าฟจนาฟจที่รัทุกนครับดลิลก่อนอื่นเราต้อง ขอบคุณชูกร ต, ต่ออ AH ัลลอา์ سبحانه และ ت ع ا าเพราะการรำลึกถึงอ AH ัลลอฮ์ทำให้หัวใจของคนรำลึกเองเนี่ยสงบหัวใจสงบเนี่ยไม่มียารักษาการทำหัวใจให้สงบเนี่ยทำไม่ได้มีเงินเยอะๆก็ทำไ ม, ไม่ทำให้ใจสงบ มีเงินมากเดินทางรอบโลกคนกาแฟสนะนะแล้วก็ทาซีนามารอบโลกแล้วแล้วก็ดื่มเหล้าดื่มเบียร์ของหารมามารอบโลกแล้วยังหาความสุขไม่ได้เพราะความสุขเนี่ยมาอยู่ที่หัวใจความสุขมนอยู่ที่หัวใจ ตอนนี้หัวใจเนี่ยจะมีความสุขได้ยังไงก็อุร r a n ที่อ่านผ่านมาแล้วเนี่ยนะอัลลบิกลลฮิอัลลอที่นาอมนวตตยนนุลูบุมบิกลลฮอลบิกลลฮิตัตนนลุลูอาที่28ในสุรุอาราดูที่เราอ่านผ่านมาแล้ว หัวใจสงบมีอยู่ทางเดียวก็คือรำลึกถึงอัลลอ์สุบฮานาฮุกตาลาเท่านั้นเองครับรำลึกถึงอัลลอ์เนี่ยอธิบายยังไงรำลึกถึงอนะัลลอ์เนี่ยมีอยู่4ีอย่างมีอยู่ีแบบแบบที่หนึ่งก็คือรำลึกถึงอัลลอ์ด้วยกับการอ่านอัลกุรอานอย่างที่ ผูรากำลังนั่งทบทวนกัมภานกันอยู่นี่แหละนี่แหละเป็นการจำลึกถึงอัลลอฮ์ที่ดีที่สุดเพราะเอาคัมภีร์ของอัลลอฮ์มาอ่านและเอาคัมภีรของอัลลอฮ์มามาอธิบายมาแปลความมาหาความรู้เวลาอ่านกัมภีรเนี่ยอ่านไปอายาหนึ่งต้องมองตัวเองนะอย่าไปมองคนอื่นนะเอากุามอีร์มาจับมาจับเอาเราไปวัดกับกุรภานว่าเราทําตามกุมภานอย่าง ต้องนึกนะครับข้อสองการรำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยการฟังศาสนาอ่านั่งฟังศาสนานั่งเรียนศาสนาคืออ่านผู้เรียนฮะดีษเรียนกอรานเรียนตัฟซีดเรียนวิชาเกี่ยวกับศาสนาทั้งหมดนั่นแหละทำให้ใจเราสงบประการที่สาม เมื่อเราเรียนเรียนจัมเสดก็ดีเรียนฮะดิสก็ดีหรือไปฟังศาสนาที่เขาสอนเนี่ยตามมัสยิดตามโรงเรียนตามมูลนิธิที่เขาจัดจัดกันอยู่แล้วไปหาความรู้ตรงนั้นนะ่ะแล้วก็นํำมาความรู้เนี่ยมาบอกต่อมาตำเลิกต่อมาดาว่าต่อเนี่ยนั่นแหละทําเป็นการลําลึกถึงอารมณ์ลลและใจสงบนะครับแล้วประการที่สี่เนี่ย การรำลึกถึงอัลลอฮฺผ่านบท د ع ا ต่างๆนี่เรานะมานนี่เป็นการ دعاء นะลมานนี่คืออดดัด د ع ا แล้วก็นอกลามาและ่ะ د ع าเช้าเย็นมีใช่ไหมตอนเช้าเนี่ยให้อ่าน د ع อก่อนตะวันขึ้นเนี่ยให้รำลึกถึงอัลลอมีตั้งยี่สิบกว่า دعاء ด, ด้วยกันตั้งแต่กุนวัลอลฮุอาฮัดอันสามคุณ อันสามคุนก็ตามด้วยอายกูลีตามด้วยอะไรเนี่ยบทสุรัชบกรัตอนตอนสุดท้ายอามันอรอซูที่มาหามูดะกี้เนี่ยนั่นแหละเราก็ตามด้วยอะไรนะ د ิ ا ء ل ا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملج ม ل ه الحمد وهو ع อีกร้อยนึง แล้วก็มีดูอาบทอื่นๆอี ก, อกไปนะ้องนั่นแหละเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮผ่านบทดวอาก็ไม่ยู่งซีอะไรการสรุปนะครับหนึ่งนะเพื่อความเข้าใจง่ายๆก็คือรำลึกถึงอัลลอฮนั่นทําให้ใจสงบยังอื่นไม่มีครับมีเงินมากก็กลัวอีกเที่ยวมาหมดทั่วโลกแล้วใจก็ไม่สงบ คนกาเฟ่ตเนี่ยบอกว่าฉันก็ดื่มเหล้าดื่มเบียร์มาหมดแล้วใจก็ไม่สงบบางคนก็เที่ยวมามองผู้หญิงสวยๆมาเยอะแล้วใจไม่สงบปรากฏว่าความสงบนั้นอยู่ในคำภิกล า, า, านี่แหละอลัลลาะบิบิครินละฮิตัดมาอินนุลกลูรูการดำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นทำให้ใจสงบเพราะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของหัวใจอัลลอฮ์รู้ดีว่า ทำให้ใจสงบนั่นควรจะทําอะไรท่า น, นไปวิจัยมาแล้วรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นแหละทาให้หัวใจสงบหัวใจสงบจนะอยู่บ้านเล็กก็ได้อยู่บ้านใหญ่ก็ได้มีอาหารกินมากกินน้อยได้หมดหัวใจสงบแล้วอยู่กับใครก็ได้ใช่ไห ม, มการหัวทำให้หัวใจสงบนั้นมีอยู่ทางเดียวรำลึกถึงอัลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์ Allah, มีอยู่กี่แบบนะสี่แบบ อะไรบ้านดำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยการอ่านคุรานดำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วย ก, วาการฟังศาสนาเรียนศาสนาดำลึกถึงอัลลอฮ์ทำใหจสงบนําเอาศาสนาที่เราเรียนรู้มาเนี่ยเอาไปบอกต่อแล้วข้อที่สี่ดำลึกถึงอัลลอฮ์ผ่านบทอตัต์ต่างๆรวมถึงการนมาศให้ครบวลหเวลาแล้วก็นมาสุนัตนมาสุนัตอย่าลืมนะจุฮั ก่อนุฮตมีมีกี่ระกาตน บ, บีสอนไว้2หรือ4่หลังนามาหุฮุตอีกสองก่อนอัสกับหลังอัสอารยังไม่มีถ้าจะมีไม่เรียกว่าสุนนะมอักกะดาเรียกว่าสุนัดอย่างเดียวถ้ามุอักกะดต้องมีหลังนามามัดมริบอีกสองหลังนามาหอิชาอีกสองก่อนนมาหัซุ บ, บออีกสองอะกา รวมแล้วเป็น10รอกะกาศหรือ12รอกประกาศใครที่รักษาสุนัขมูอัคก์ดาเนี่ยบานัลลอฮฺฮุละลฺูบัยตันฟิลญันนะอัลลอฮฺจะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาในสวนสวรรค์นี่ยังไม่ใช่นมามัสฟัดูนะนมามัสสุนัขอย่างเดียวนะอัลลอฮฺให้แล้วแล้วนมามัสฟัดูไม่ขาดอีกล่ะอัลลอฮฺใจมุสมก เอาวันนี้อยู่ในสุราอรัลรอะดูอัลรอะดูเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าฟ้าอะไรนะฟาร้องฟ้ารอ้ารองเนี่ยทาลายคนมาเยอะแล้วนะฟ้าผ่าฟ้าร้องเนี่ยเด็กๆยังกลัวเราอยังกลัวนะเวลาฟาร้องแรงๆเนี่ยชาติเวลาฟ้าร้องเนี่ยให้นึกถึงใครอลัลลอฮ์มีบทดตัวอ่านด้วยนะอัลลอฮ์มบีบทตัวอักษรด้วะอัลลอฮ์มีบทตัอักษรด มิขีฟาตีฮีท่านมุสลิมเนี่ยมีบทดวอาอ่านตลอดเวลานะครับฝนตกก็มีดวอาอ่านฟ้าร้ารองแรงๆก็มีดวอาอา่านอัลลอฮ์เข้าบ้านก็มีดวอาอา่านออกจากบ้านมีดวอาอา่านขึ้นรถมีดวอาอา่านเข้ามัสยิดมีดวอาอ่านอีกตอนจะออกมีอีกออกไปข้างนอกไปเจอรถชนกันมีดวงอาอ่านอีก อัลลอฮฺอักบารเนี่ยความยิ่งใหญ่ของอิสลามนะครับ <c oughs> อายาที่สามสิบนะครับกัดดารีกอัลซัลนะกาฟีอุมมัดินก็ดะขอลัดมิงกับลิฮะอุมมกัดารีกอัลซัลนะกาฟีอุมมัดินนี่อัลลอฮต้องการจะเล่านะเล่าให้ฟังบอกว่า ทุกยุคทุกสมัยเนี่ยอัลลอฮ์ส่งรอสู้มามาให้ไม่ได้ใช่ให้มนุษย์ใช้ปัญญาเองหรอกไม่ได้ให้มนุษย์เนี่ยใช้ปัญญาเองอัลลอฮ์ส่งราสูลทุกยุคทุกสมัยมากาดะลิกะในทํานองเดียวกันอัลสลนากะเราเนี่ยได้ชมท่านท่านที่ได้หมายถึงใครนบีมุฮัมมัด พอคุร์รานเนี่ยประทานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดเราก็ส่งท่านมาฟีอุมมตินให้กับประชาชาตินึงมาถึงประชาชาตินี้แหละประชาชาติของพวกเราอยู่กันเนี่ยเป็นประชาชาติอธิบายได้ไหมประชาชาติยุคสุดท้ายประชาชาติที่ที่เราเรียกตัวเองว่าเจริญที่สุดใช่ไหม เราคิดเราเราเรียกตัวเองว่าเป็นยุคที่เจริญที่สุดมีความรู้มีการศึกษาเจริญสุดอัลลอฮ์ส่งนบีมุฮัมมัดมาอยู่สอนอุปประชาชาตินี้ยุคนี้สอนจีวันเนี่ยจนกว่าจะถึงวันะนะติยามะเนี่ยอัลลอฮ์จะดังว่าอุ ม, มาของนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นอุ ม, มาที่ยาวที่สุดนะวันนี้มันกี่พันปีนแล้วเนี่ยหนึ่งพัน สี่ร้อยกว่าปีแล้วเห็นไหมยาวมากเลยนะจนกว่าจะถึงวันเตี่ยมาเป็นยุคสุดท้ายแล้วก็มีประชากรค่อนข้า ง, งเยอะที่สุดท่านนาบีมุฮัมมัดเาตาเึงเรียกว่าเป็นอะไรเป็นนบีที่ประเสริฐที่สุดอาชลอฟอาชรฟอชรฟประเสริฐที่สุดดีที่สุดนะครับที่อัาลลอฮฺส่งมาดูแลประชาชาตินี้ ชะตันความสําเร็จของเราวันนี้ก็คือต้องเอาสุนนะของนบีมุฮัมมัดเนี่ยมากํากับชีวิตเอากุรานเอาสุนนะนบีมากํากับชีวิตของตัวเราวันนี้ถึงจะได้รับความสําเร็จก่อนข้อละสมิงกอบลีฮะประชาชาติอื่นๆก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดหรือก่อนหน้าพวกเราเนี่ยก่อนข้อละ คือล่วงรับไปหมดแล้วมันผ่านไปหมดแล้วอุ ม, มารุ่นก่อนเนี่ยผ่านไปแล้วก็จริงแต่ว่าเรื่องราวของเขาถูกบันทึกอยู่ในคัมภีร์กุรอานตัวตนหมดไปแล้วตายไปหมดแล้วฝังไปหมดแล้วแต่ว่าพฤติกรรมหมายถึงอามั่นของพวกเขานั่นถูกบันทึกอยู่ในคัมภีร์กุรอานและส่วนใหญ่ที่อัลลอฮ์บันทึกเนี่ยเป็นเรื่องชั่วหมดเลย อ้าวอย่างกับฟาโรเนี่ยพฤติกรรมของฟาโรเป็นยังไงพี่น้องคงจะทราบดีแล้วพฤติกรรมของ <c oughs> พวกฮามานกอรูนเรารู้แล้วก็อุมมะในยุค ข, ของนบีอิบรอฮิมเป็นยังไงนบีนุ์เป็นยังไงเราก็ผ่านกันมารู้กันมาในคัมภีรุกรอันอธิบายหมดอ้าวหรือเฉพาะนาบี นบีใครนบียูซุฟที่เราเรียนมาเนะ่เป็นไงนั่นนะ่ะประวัติตรงนั้นนะ่ะอัลล อ, อ์วัติมันเหมือนพวกเราวันนี้หลายๆเรื่องอ่ะเรื่องอิชาริ่องสยาเรื่องทะเลาะกันเพราะอะไรนะครับนี่อนะุณอ่านอธิบายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นนบีคนที่มาก่อนๆหนนะ้นานบีมุฮัมมัดนั่นได้ล่วงรับไปแล้วแต่เหตุการณ์พวกเขายัางอยู่อยู่ในคัมภีุณอ่านนี่แหละนะครับทีนี้อัลลอ์ ทรงนบีมุฮัมมัดมาเนี่ยแล้วก็พาอะไรมาอีกครับพากุรานมาเล่มหนึ่งที่เรานั่งอ่านก็อยู่เนี่ยนะพามาทำไมครับทรงมาทำไมลิตัตลูวาลีลีตัตลูวอลไฮิมเพื่อให้นบีนำนาเอากุรานเล่มนี้นะ่ะมาอ่านมาสอนมาอธิบายตัตลูแปลว่าอ่านนะครับมาสาธยายมาสอนมาอ่าน เช่นท่านพี่น้องมุสลิมกับคำพีกูรานน่ะมันของคู่กันเป็นมุสลิมไม่เคยเปิดกูรานอ่านเลยเนี่ยถามว่ามันจะเป็นคนยังไงจะเป็นคนอะไรอะแย่ yeah, มากเลยทั้งชีวิตเลยไม่อ่านกูรานฉะนั้นมุสลิมกับกูรานมันของคู่กันแล้วกูรานไม่เคยไม่เคยไม่เคยคือมันมีตรสอนทั้งหมดนะ่ะนะ สอนแล้วก็ชี้ทางทำอย่างนี้สิอย่าทำอย่างนี้อย่าทำเหมือนคนนี้ให้ทำเหมือนคนนี้ครูอานสอนทั้งหมดนะครับลิตัสลุอาไลฮิมอัลไลดีอัลฮัยนาอิไลกะซึ่งเราได้ประทานวะฮีเนี่ยในมาเลเซียเนี่ยเขามีเขามีดี partment หนึ่งคณะหนึ่งอ่ะที่เปิดสอนเรื่องวะฮีอย่างเดียวเลยนะ ในมหาวิเลยนะวะฮีคืออะไรหลักสูตรซีีอยู่ในชริยาท่านเรื่องวะฮีอย่างเดียวนีนะ่มันเป็นอะไรมันเป็นมันเป็นหลักสูตรที่ยาวพอสมควรเพราะกุอ่านทั้งเล่มผ่านวะฮีทั้งหมดเนทะ่าไรนะ่หกพันกว่าอายะเนี่ยี่สิบสามปีของการเป็นนบีเนี่ยนบีได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเลย ฉันเราเรียนเรื่องวาฮีอย่างเดียวนี่นะทำให้อารมณ์ของเรานี่นะเบาลงนะคนถ้าไม่เรียนรู้เรื่องวะฮีว่าวะฮีคืออะไรกับอารมณ์อารมณ์กับวะฮีมันของคู่กันนะถ้าเราไม่เอาวะฮีหมายถึงเอาคุณธรรมาเป็นมาเป็นหลักดาเนินชีวิตเราก็จะเอาอารมณ์เราเนี่ยใหญ่กว่าคำสั่งของอัลล์แล้วคนที่เอาอารมณ์ใหญ่กว่าคำสั่งอนะัลลอฮ์น่ะถามว่าเขาจเจริญไหมล่ะ สุดท้ายเนี่ยอัลลอฮ์ให้ตกนรกหมดอยอย่างฟาโรห์อย่างเงี้เอาอะไรนะเอาอารมณ์ใหญ่กับวาฮีวาฮีที่ผ่านใครอ่ะผ่านนบีมูซาอะไรวิสลาลฉะนั้นเราวันนี้อย่าเอาอารมณ์เราที่ที่ทอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยนะก็มีอยู่กี่อารมณ์นะ่ะอารมณ์โกรธอารมณ์ผูกพยาบาทอารมณ์เอาชนะใช่ไหมแล้วก็ก็สามสี่อารมณ์เท่านั้นแหละสามสี่อารมณ์เนี่ยถ้าคุมไม่ดีเนี่ยนะ พาตัวนรกนรนะ่ะกันอุลมะเขาอธิบายดีก็บอกว่าอารมณ์เนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งโรคป่วยชนิดนี้นะคนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกตัวพอพูดถึงเรื่องโรคเนี่ยมีอยู่สองโรคนะโรคป่วยที่ร่างกายกับโรคป่วยที่วิญญาณแต่เราเนะี่ยเห็นโรคป่วยที่ร่างกายอย่างเดียวไอ้ป่วยที่วิญญาณเนี่ยงไปถามดูสิป่วยเปล่า อ้าวแข่งแรงดูสิเดินเดินกระฉับกระเฉงไม่เคยเข้ามาสัสยิดเลยนัน่ะป่วยแล้วไม่แต่อัานครมานเลยไม่อ่านอัานครอาีเลยคนนี้เป็นคนป่วยป่วยได้ไหนป่วยที่หัวใจป่วยที่วิญญาณฉะนั้นการป่วยมีสองรายการป่วยที่ร่างกายกับป่วยที่วิญญาณป่วยที่ร่างกายนะไม่ตกนรกคนป่วยรู้ ลมป่วยที่วิญญาณดูสิอ้าวโมโหเก่งดา่าเก่งอิจฉาที่ยาเก่งพาติด ก, กูโบไปด้วยนะพาติดลงไปนะตกนรกนะฉะนั้นป่วยที่วิญญาณหรือป่วยที่รัว้วป่วยที่หัวใจเนี่ยทําให้คนต้องทะเลาะ ก, กันทําให้คนต้องตัดขาดกับญาติพี่น้องป่วยที่หัวใจเนี่ย อ, อ, อัลลอฮฺอากรบฆ่ากันยิงกันใช่ไหม นี่และป่วยที่หัวใจทั้งหมดถ้าป่วยที่ร่างกายไม่มีปัญหาอัลลอฮอภัยโทษให้กาฟาร้อให้ในความผิดของเขาที่ทำมาแต่ก่อนๆนะวะฮุมยักฟุรูนบิรราะมานพวกเขายังปฏิเสธต่อพระผู้ทรงเมตตา ต้องการจะบอกว่าแทนที่จะพูดว่าอัลลอฮ์ยักฟูรุนอัลลอฮ์ไม่พูดอัลลอฮ์ต้องการจะอธิบายคําว่าอัลลอฮ์มานยักฟูรุนอัลลอฮ์มานพวกเขาปฏิเสธอัลลอฮ์คืออัลลอฮ์เนี่ยเป็นชื่ออยู่แล้วส่วนซิ่ัตของอัลลอฮ์อีกเท่าไหร่นะ9กเก้าพระนามพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์ก็คืออัรลอฮ์มาน ฮะดีษอธิบายอย่างนี้อธิบายอย่างนี้นะวันที่นบีจะเข้ามาทําอุมระจากนกครมดีนาะมาก่อซูฮบะเยอะมากทีแล้วพวกกาเฟทพวกมุสลิมีเนี่ยไปยืนดักบอกไม่ให้เข้าซูฮบะนี่แทนนบีไม่ห้ามวันนั้นมีเรื่องแต่มันเว่าไม่เป็นไรนบีห้ามอ ย, า ย, า ย, ายา่ายายทําไมให้ท้ามอุมรทั้งก็กลับ ก็มีพิธีพิธีการมีการคนลคนโหนกลหัวน บ, บีสั่งนะแต่นี้ตอนทำสัญญาเนี่ยสัญญาเนี่ยสัญญาสงบสื่อขยกหุดดยบีญาวันนั้นเนี่ยตอนเขียนจดหมายเนี่ยเขียนว่างี้บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรหีมเขาบอกว่าบิสมิลลาฮ์อย่างเดียวนะอัลราะห์มานอัลรหีมฉันไม่รู้จักอย่าเขียนบอกว่าปะทะกันเลย น บ, บีบอกอ่าวไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนทำไมบิสมิลลาเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยมีสิฟธิ์ัตยรอัล์มานอัลลอฮีบอกไม่ให้เขียนเพราะคนอาดับในวันนั้นเนี่ยตอนที่อิสลามมาแล้วแต่ยังไม่ได้เผยแพร่ไปกว้างเนี่ยนะชาวบ้านเขียนจดหมาย ก, ก็เขียนว่าบิสมิกลลอฮุมด้วยพระนามของอัลลอฮ์แค่นั้นแหละทีนี้พอมูฮัมมัด น บ, บีต้องการจะใส่ว่าอัลลอฮ์มานิรัวฮีด้วยเพราะวะฮีมาแล้วใช่ไหมนะบอกไม่ให้ใส่ใส่เฉพาะอะไร น, นะบิสมิกลลอฮุมมาโดยพระนามของอัลลอฮ์อย่างเดียวน บ, บีไม่เป็นไรไม่ไรไม่เป็นไรที น, รนี้อัลลอฮ์ต้องการจะเล่านะ <S <S ่ะวายักฟ hm ูรุนบิร์อัลล์มานพวกเขาปฏิเสธคําว่าอัลลอฮ์มานใช่ไหม ท่า น, นสิทธิของอัลลอฮ์เนี่ยคืออั์มานคนกาเฟตเนี่ยสมัยนั้นนี่นะบางครั้งนบีพูดว่าอัลอ์มานอ้าวว่า น, นี่ชื่ออัลลอฮ์นะอัลลอ์มีสององค์สิมุฮัมมัดว่าอัลลอ์มีองค์เดีย ว, วคืออัลลอ์บางวันก็พูดอัลลอฮ์มานแสดงว่าอัลลอ์ท่านมีสององค์นบีก็บอกไม่ใช่นี่เป็นเป็นลักษณะของอัลลอ์า น, น เนี่ยถ้ารู้ประวัติเก่าๆอัลลอฮ์กันนบนบีเนี่ยต่อต้านนี่นะกับคนที่ไม่เอาที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยเยอะมากถามนาบีทําสําเร็จไหมสําเร็จทําด้วยความอดทนทําแล้วก็รอไว้ให้จากอัลลอฮ์ให้พูดยังไงให้ทํำยังไงเนี่ยเป็นความเมตตาที่อัลลอฮ์เมตากับนบีมูฮัมมัดสุลต์อัลสลามพวกเราก็เหมือนกันวันนี้มันมีทางออกสำหรับชีวิตถ้าเราศึกษาอัลกุรอานใด้ดีเนี่ยนะ ปัญหาเนี่ยแก้ได้หมดนะครับถ้าเราเข้าใจกุรานนะครับเหมือนกับนบีเนี่ยถูกต่อต้านทุกวิถีทางก่อนที่อิสลามจะสมบูรณ์เนี่ยนะอัลลอ์อะยิ่งใหญ่มากครั บ, ร บ, บอุลฮุอารบีลาอิลาลออิลาหูจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดฮุวาหมายถึงอัลลาอฮ์ออร์หมานนี่นะออร์ฮามานเป็นอะไรรู้ไหม เป็นรับบีเป็นพระผู้อภิบาลของฉันอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ากับพระผู้อภิบาลไม่เหมือนกันนะเป็นพระเจ้าก็คืออิลลัฮิลลอห์นี่เรายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าถ้ายอมรับให้อัลลอฮ์เป็นรบต้องพูดว่าอัลลอฮูรบบีอัลลอฮ์เป็นผู้อภิบาลหมายความว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างผู้ดูแล ผู้ให้ตายผู้ให้ริสกีผู้ให้อากาศผู้ให้มีวันสิ้นโลกผู้ให้ดุนยานี่มีอายุสั้นนี่เป็นรบหมดเลยผู้อภิบาลส่วนอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าก็คือเราจะไม่ก้มลงกราบสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺนะครับส่วนยอมรับว่าอัลลอฮฺใหญ่เนี่ยเป็นผู้บริหารเป็นผู้สร้างนี่นะนาำท่วมขณะนี้เนี่ยนี่อัลลอฮฺลงโทษนะลงโทษ คนในเมืองไทยนี่แหละเดี๋ยว อ, าอา่านไปเจอเอเนี่ยอยู่ในอยู่สองสามป้าย่นี่แล่เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเนีรอลงโทษครับตอนนี้คนรู้สึกตัวมีกี่คนค น, คนที่ตาบ้าตัวมีกี่คนคนสํานึกผิดมีกี่คนดังนั้นพี่น้องมุสลิมที่อ่านอุษม์อันเนี่ยมันต้องนึกตะลอดเวลาว่ามีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นการทรมานทั้งหมดนี่นะนี่เป็นการลงโทษทั้งหมด ทำไมทำไมไม่ลงโทษแบบฟาโรห์ให้โจมน้ําตายไปเลยนะอลัลลอฮ์ไม่ลงโทษพทดสอบให้เห็นเท่านั้นเองนะครับเพราะอะไรเพราะอาลัลลอฮ์สัญญาในคัีร์อุลแอนไว้แล้วว่า mm. วะมากาอัลลอฮูโมอฺามามอาดิบะฮุมวะฮุมยะสตฟิรูนอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษอุมมะของนบีมุฮัมมัดเนี่ยยุคนีย้ยุคสุดท้ายเนี่ยขณะที่มีพี่น้องกลุ่มหนึ่งกําลังเดินตะว่าปอยู่ที่ที่ไหนที่มักกะ เดิตวาปนะ่ะเขาว่าตว่าแต่มีเวลาขาดไหมล่ะไม่ขาดเลยสักนาทีหนึง่งนอกจากนามาสฟรดูตนเองที่หยุดตวา่ตวาตว่าตลอดมีพี่น้องเรากลุ่มหนึ่งตว่าอยู่ที่นั่นแล้วก็อ่านขอดูอาว่าะไ น, นะกุฟรอนะกะ <c oughs> ขออภัยโทษ ต, ต่อพระองค์คนที่ทำชั่วอยู่ในเมืองใหญ่ๆเนี่ยในโลกนี้นะอลัลลอฮ์ไม่ลงโทษประวิงเอาไว้จนกว่าความตายจะมาถึง ข, ข้อหอยเขาถึงอลัลลอฮ์จะลงโทษแต่อลัลลอฮ์ก็ทดสอบเนี่ยทดสอบใครมีปัญหาให้มีความเดือดร้อนเหมือนกับสมัยฟาโร่อะใช่ไหมอลัลลอฮ์ให้น้ําเป็นเลือดเราอ่านแล้วใช่ไหมล่ะให้ดิฟดะให้ไรให้กบเขียดนี่เต็มไปหมดนี่ตากกระดาษก็เจอแต่เขียดเขียดเขียดไม่ไม่เจอน้ําน้ําสะอาดไม่มีเป็นการทดสอบจอากอัลลอฮ์ทั้งหมดแต่มีคนสํานึกตัวกี่คน รำเลึกถึงอัลลอฮ์กี่คนกับเนื้อกับตัวไปหาอัลลอฮ์กี่คนมันอยู่ที่พวกเราด้วยเราก็มาด้สอนอิสลามเยอะเราก็ปล่อยให้อัลลอฮ์ดูแลหมดนะครับก็ให้พวกเราช่วยเอาอิสลามเนี่ยไปสอนต่อด้วยนะครับกุลหัวรอบบีอัลลอฮ์ก็คือพระผู้อภิบาลของฉันและอิลลัฮีลลาหไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจาก อัลล์ที่ฉันตะวะกัลตุฉันมอบตนต่ออัลลอ์คำว่ามอบตนต่ออัลลอฮ์เนี่ยเราก็ต้องขอย้ำกันตรงนี้บ่อยๆนะหลังจากอยากจะเอารถมาจอดที่มัสยิดเนี่ยตวากัลหมายถึงต้องปิดกุญแจรถก่อนเอ า, ากุญแจใส่กระเป๋าอย่าไปเปิดรถทิ้งเอาไว้ฉันมอบต่ออัลลอ์ แล้วก็ใครมาอรรถเราไปลักไปเราบอกชั้นตะวะ ก, กาันแล้วเนี่ยนี่ยอัลลอฮ์ให้หายไม่ใช่เราต้องดูแลรถของเราให้ดเหออีเหมือนกันตอนจะออกจากบ้านเ็เหมือนกันตอนเช้าที่ออกมาเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนปิดไฟให้มันเรียบร้อยก๊อกน้าเปิดหรือเปล่าเสร็จแล้วก็บิสมิลลาฮิตะวักันตัวอลัลลอฮ์ฉันขอออกจากบ้านของฉันฉันมอบตัวของฉันกับอัลลอ์ ให้อัลลอ์ดูแลภรรยาด้วยอยู่ที่บ้านเพราะผู้หญิงคนเจ็บคนป่วยอยู่ที่บ้านฉันมอบต่ออัลลอ์แล้วตัวเราเองที่เดินออกจากบ้านมามัสยิดเนี่ยไม่รู้ว่าระหว่างทางเนี่ยจะถูกภัยพิบัติอะไรบ้างเราก็ไม่รู้มอบตนต่ออัลลอ์สุภาณฮูบะตาดาใจต้องนึกที่าทั้งหลายนะครับฉะนั้นอย่าไปมอบให้กับอะไรโต๊ะเกียโต๊ะนนโต๊ะนี่ไม่ใช่อัลลอฮ์องเดียวเท่านั้น นะครับเป็นผู้รับมอบหมายทั้งหมดนะครับจะออกเดินทางมือนันเดินทางไปไกลๆเนี่ยมีฮะดีสมีให้อ่านดูอาอัลลอฮุมมาซอฮิบะฟิซซัฟารีอัลลอ์เนี่ยเป็นเป็นเพื่อนกับฉันในระหว่างการเดินทางเห็นไหมสอนเนี่ยเราคิดตลอดเวลาอัลลอฮ์เป็นเพื่อนอยู่ที่บ้านดูลูกดูเมียดูทรัพย์สินเราอยู่บนรถ อัลลอฮ์เป็นเพื่อนกับฉันในระหว่างการเดินทางสอนไว้หมดเลยนบีสอนทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์นะครับแต่ต้องทําให้ดีที่สุดนะครับเรียนเอาความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดนั้นม า, ราบริหารจัดการแล้วมอบตนต่ออัลลอฮ์ที่หลังนะครับวาอิไลฮิมาตาและพระองค์ก็คือที่กลับ ับตายแล้วต้องไปหาใครไปหาอัลลอฮ์ต้องนึกอย่างนี้เราไม่ได้กลับไปหาใครแล้วนะกลับไปหาอัลลอฮ์สุภาโนตา ล, ละฉะนั้นนบีก็สั่งบอกว่าก่อนตายน่ยกล่าวกอริมานีได้ไหมเลออิเลอฮะอิลลอหใครที่กล่าวกอริมานีเป็นวัดเป็นยุมล่าสุดท้ายประโยคสุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตวิญญาณออกจากร่างเขาได้ไปสวรรค์ครับ แต่ด้เครื่องหมายของคนตายดีเนี่ยอะไรบ้างหนึ่งเหงื่อออกที่หน้าภาค 2. ตายขณะที่กล่าวกลิมะตเตาฮีดนี้ได้ 3. กํกำลังอ่านกุรานอยู่เสียชีวิตกำลังยืนนมาดอยู่กำลังสูดหยุดอยู่เสียชีวิตนะครับนี่แหละเป็นการตายที่ดีที่ดีทั้งหมดอีกคดีหนึ่งอธิบายบอกว่าใครตายในวันศุกร์ เป็นสัญญาลักษณ์ว่าเขาตายดีเขาเรียกว่าฮุสนุลคอติมะจบชีวิตแบบดีๆก็มีอยู่หกเจ็ดรายการด้วยกันนี่เป็นสัญญาลักษณ์ของคนที่ตายดีบางคนขอดวงให้ไปตายติมักกะเขาขอถูกหรือขอผิดเขาขอถูกนะมีมุสลิมอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาจะไปทําพัดแล้วเนี่ยจะไปเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้นี่แหละเขาขอดอาต่ อ, อร้องไห้โดยยะลลอให้ไปตายติมักกะ สามีว่าฉักลับบ้านคุณเดียวสิถ้าเธอไป่ตายที่นู่นพยาอยากตายที่มา ก, การสามีก็ขออย่าให้ตายเลยฉันกลับบ้านคนเดียวฉันเหงาอันนี้เล่าให้ฟัง <c oughs> ครับท <c oughs> ู ล, <c oughs> อลองอัลลอฮฺเป็นที่กลับนะครับตาที่มาการนาดีตาที่มาดีน่าดีนะครับเชิญครับ <c oughs> มอาอัพแปลว่าที่กลั บ, <c oughs> ลบเออ มาตาบมาอาบเหมือนกันเลยนะที่กลับก็คืออัลลอฮ์เนี่ยคือจุราจะกลับตัวนะอย่ากลับไปหาใครเลยกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปเรียนศาสนากลับไปสู่การดำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วใจมันสงบคนที่กลับตัวแล้วนะมันต้องหันมาเรียนศาสนาด้วยนั่นรหละเป็นการกลับตัวที่ดีที่สุดกลับตัวแล้วไม่เรียนศาสนามันไม่เข้าใจอ่ะ จริสศาสนาอิสลามเนี่ยมันคู่กับความรู้ถ้าไม่มีความรู้เนี่ยไม่เข้าใจอิสลามเพราะอิสลามคืออะไรลมอิสลามเนี่ยนะเป็นมรดกที่เราได้รับมาจากท่านนาบีเราเนี่ยรับมรดกจากพ่อเนี่ยเ ป, เ, ปเป็นที่ดินเป็นส่วนใหญ่มีโกลาหสไรลอยไรส่วนให ญ, ญ่เป็นวัตถุทั้งหมด แต่ว่ามารโดกทิ่ท่านนาบีมอบให้เราท่านส่วนใหญ่เป็นความรู้นี่ไงอะไรล่ะมกุรานเป็นความรู้สุนานนาบีคือความรู้ต้องเรียนนะครับแล้วก็ทบทวนแล้วก็นำอามาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอยายะที่สาสิบอดครับว่าลาวอันอุรานซุยิรสบิฮิจิบาลถ้าหาก อัลกุรอานเนี่ยนะทำให้ภูเขาเคลื่อนได้อธิบายยังไงอธิบายอย่างนี้มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะมีท่านอบูลุลฮัลนี่ญาตินบีนะศัตรูของนบีมุ hammad และอีกคนหนึ่งอับดุลลาบินอุมัยเป็นอุมัย อ, มอุมัยยะอับดุลลาบินอุมัยยะกับอบูญลฮันสองคนเนี่ยมานั่งทิกะบะ นั่งหลบๆหลบๆแดดหน่อยนะเสร็จแล้วก็บอกอัมดุลลอบไปหามุฮัมมัดไปมุฮัมมัดจะเรียกร้องให้เชื่ออัลลอฮ์แล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นนบีเราไม่เชื่ออยู่แล้วเขาก็ส่งอัมดุลลอบเนี่ยไปหานบีมุฮัมมัดนบีก็มานั่งคุยเขาบอกฉันเสนอสามเรื่องถึงฉันจะยอมรับว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวจริง แล้วก็ยอมรับให้ท่านเนี่ยเป็นนบีของอัลลอฮ์จริงแต่วันนี้ฉันไม่เชื่อเรื่องเรื่องที่หนึ่งฉันขอเสนอนะให้เลื่อนภูเขาเนี่ยเพราะท่มากาห์เนี่ยมีแต่ภูเขาภูเขาใช่ไหมล่นะทั้งสี่ด้านเลยนะภูเขาเต็มไปหมดเมืองมักกา์มันแคบให้ขยายเมืองให้มันกว้างเอาภูเขาออกไปเลื่อนออกไปนี่ประการที่หนึ่งแล้วคุณนา เอาเอาพูดอ่านของคุณที่อ่า น, ยนอยู่นี่นะมัอจิสาของพูดอ่านเนี่ยช่วยให้ภูเขาที่มันขยับออกไปให้มันกว้างจะได้เป็นสวนเป็นอะไรนะเป็นทุ่งหญ้าจะได้เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะกันเต็มที่ใช่ไหมละ่ะประการที่สองคุณสามารถเอาให้พวกเราเนี่ยเดินทางไปไหนมาไหนคล่องๆแบบสมัยนบีสุไลมานคารีิว่ากุตติอาต ทำไหแผ่นดินนี่มันย่อลงเดินทางไปไหนแบบสะดวกสะดวกอย่า ง, างสมัยสมัยนีย้เดินทางโดยทางเครื่องบินคนรุ่นนั้นก็อยากจะให้นบีมุฮัมมัดเนี่ยเอาชีวิตของนบีสุไลมานมาเอาชายลมเนี่ยพาคนเดินทางไปไหนก็ได้ใช่ไหมมันไวแป๊บเดียวถึงแป๊บเดียวถึงสมัยนีย้เอาลองให้แล้วมีเครื่องบินใช่ไหมถ้าทำได้ ฉันจะเชื่อว่าอาลัลลอฮ์มีองค์เดียวและมุฮัมหมัดเป็นตัวซูลของอลัลลอฮ์จริงๆประการที่สคุณเอาคุณต้องเอาคนที่ตายอยู่ในกุโบเนี่ยฟื้นขึ้นมาแล้วก็ถามคนที่ตายว่ามุฮัมหมัดเน่ยเป็นนบีจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงถ้าจริงก็จะต้องเล่าให้ฉันฟังว่ามูฮัมหมัดเน่ยเป็นนบีจริงเพราะว่ามูฮัมหมัดสอนว่าตายแล้วอลัลลอฮ์ถามว่ามันนบียุคอะ ใครเป็นนบีของท่านน่ะเอาคนที่ตายขึ้นมาสักคนสองคนนี่ขอร้องกับนบีโอโลัลลอเห็นอย่างเห็นอย่างว่าคนรุ่นก่อนนี่ไม่เบาหนักหนักกว่าพวกเราต้องเยอะนะแล้วก็อลัลลอฮ์ก็ประทานอัลกุรอานลงมาเลยเนี่ยประทานนี่แหละลงมาว่าไงถูมไหมถ้าหากกุรอานเนี่ยสามารถทำให้ภูเขาเนี่ยเลื่อนได้แล้วก็ต่อมาอีกครับ เอาุตติอาบิฮิอัดหรือโดยอัลกรุรอานนี้แผ่นดินถูกทำให้แยกให้แยกหมายก็ว่าคำว่าแยกหมายถึงว่าทำให้มันย่อลงหรือสั้นลงเดินทางไปไหนมาไหนแบบนาบีสุไลมานมันไวขึ้นแบบสมัยนี้ก็คือนั่งเครื่องบินไวๆวเนี่ยพูมัดทำได้ไหมอัลลอฮฺประทานงานลงมา หรือเอากุลิมะบิฮิลเมาต่หรือคนตายถูกทำให้พูดได้อลอเล่าในะ ก, กระพือกุฏอาร์ตบว่าถึงทำนะทำให้เห็นพวกนี้ก็ไม่เชื่ออธิบายชัดๆว่าถึงจะแสดงให้เห็นสามรายการที่พวกนี้ขอเนี่ยพวกนี้จะเชื่อไหมก็ไม่เชื่อเพราะว่า ก่อนหนะ้านี้นบีมูฮัมหมัดเคยผ่าเดือนมาแล้วมันเชื่อเปล่าอ่ะมันก็ไม่เชื่ออีกนบีเคยเอาน้ําเนี่ยน้ําที่ไหลออกจากมือนบีมันก็ยังไม่เชื่อแล้วก็นบีทามุกิษาไว้ตั้งเยอะแยะไปหมดนะ่ะนี่ไม่ขอมุกิษารเพิ่มอีกนะให้แสดงนี่สิให้แสดงนี่สิให้แสดงนี่สิสสฉันจึงจะเชื่อคําตอบก็คือว่า ก่อนหน้านี้นบีก็ได้สแสดงมุอาจิสาตให้เห็นตั้งหลายเรื่องแล้วทำไมมันไม่อีมานต่ออัลลอฮ์ทำไมมันไม่ยอมรับว่ามุฮัมมัดเป็นตัวศูลของอัลลที์ต้องเข้าใจใช่ไหมวันนี้ก็เหมือนกันนะพวกเรานะ่ะเป็นมุสลิมวันนี้ไม่เรียนาศาสนาก็เลยไม่รู้ว่ามุฮัมมัดเนี่ยสอนอะไรของที่มุฮัมมัดทำเนี่ยเราก็มองเป็นเรื่องเล่นๆน่ะ อเอาช่นเดินมานามาที่มัสยิดนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะลดโทษแล้วก็เพิ่มผลเลบุญมันมองไม่เห็นด้วยสายตาก็เลยไ ม, ม่มีใครมากันมีก็สนใจถาว่าหัวใจของเรามันแตกต่างคนหัวใจรุ่นก่อนไมมล่ะมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่หรอกก่อนนบีสอนทั้งหลายเรื่องไม่เอาวันนี้ก็เหมือนกันซุนานะนาบีต้องเยอะแยะไปหมดไม่มีใครสนใจ บางคนรู้แต่ไม่ศรัทธาเพราะไม่ศรัทธาก็มองเป็นเรื่องเบาๆไปก็มาขอเรื่องใหม่ทำนู่นสิทำนี่สิถ้าอัลลอฮฺประทาอัลกุอานุมา ก, ก็หน้าแตกกันหมดล้ะใช่ไหมฉะนั้นอ่านกูอ่านอัยยา น, นีทําให้เราเข้าใจว่าคนกาเฟรุนก่อ น, นี่ขอร้องต่ออัลลอฮฺเนี่ยเยอะมากขอร้องให้เมืองมากะให้มันกว้างขอให้เดินทางไปไหนมาไหนสะดวก ขอให้คนตายพูดได้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมอัลลอฮ์บอกว่าไงรู้ไหม <c oughs> บัลลิลบาลิลลาบัลลิลลิลลาฮิลัมรูญามีอ <c oughs> ไม่ใช่ฉะนั้นดอกนะครับอัลลอฮ์ไม่ทําให้หรอกนะบัญชาทั้งหมดเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ต้องการจะอธิบายว่าอัลลอฮ์ไม่ให้เพราะว่าก่อนหน้านี้ นบีอัลลอฮ์ได้ให้นบีสแสดงมว่วอีสาต์หลายครั้งแล้วพวกนี้ก็ยังไม่เชื่อถ้าจะทำอีกมันก็ไม่เชื่ออีกอต่อมาครับอาฟาลัมยัยอาสิลลดีนอามานูอันนี้พูดถึงพวกเราครับบรรดาผู้ศรัทธายังไม่รู้หรือว่า อาล่ะยาชาอัลลอฮฺเลห์ดานนาสะ ج ม ي ع ะท่าอัลลอฮฺจะทรงนำทางมนุษย์ทั้งหมดให้อิมานต่ออัลลอฮฺเนี่ยอัลลอฮฺทำได้ไหมนี่ถามว่าพวกพวกศรัทธาพวกมุสลิมยังไม่รู้อีกหรือว่าอนะัลลอฮฺน่ะมีความสามารถนะจะให้คนทั้งหมดเนี่ยศรัทธาต่ออัลลอฮฺทำได้ไหมได้ เปลี่ยนใจนิดเดียวปุ๊บอีมานต่ออัลลอฮ์หมดเลยเอา้าวถ้าหากทำอย่างนี้นะ่ะเราว่าดีไหมนะ่ะดีไหมถามพวกเราเนี่ยถ้าอิมานต่ออัลลอฮ์หมดนะ่ะดีไหมตกงานเต็มเลยตกงานหมดเลยเนี่ยที่อ็มทวมีทําไมตกงานหมดวันนี้นะ่ะสอนคนให้อีมานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์สอนเหนื่อยนะดูเลย สอนลูกก็เหนื่อยสอนคนในบ้านก็เหนื่อยบางคนก็สอนง่ายบางคนก็สอนยากเนี่ยถ้าอีถ้าอัาอลลอฮ์นะให้คนอีหมานต่ออลัลลอฮ์ทั้งหมดพวกเราตกงานหมดเลยครับเราทำอะไรอ่ะเ ร, เ, รเราจะได้ผลบุญลงไม <laughs> ่ใช่ใช่ท่า <laughs> น, นทำงานศาสนาดีดี <c oughs> เชิญชวนคนเชิญ <c oughs> ชวนคนบอกคนเรียกร้องคน <c oughs> อีหมานก็มา <c oughs> เพิ่มผลบุญตลอดเวลานะ อ, อัลลอฮ์าถามนะอาฟาัมยัยอสิลลาีนามานุษ <c oughs> บรรดาผู้ศรัทธายังไม่รู้อีกหรือว่าอัลลอ์นั้นถ้าอัลลอฮ์ประสงค์นะจะนำทางมนุษย์ทั้งหมดนะทได้ไหมได้ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعو بما صنعوا นี่อายะอยนี้ ต่อการอธิบายต่ออีกเรื่องคนกาเฟต <c oughs> คนกาเฟตอธิบายไงครับบรรดาผู้ปฏิเสธนั้นความวิบัติกริยาแปลว่าความความวิบัติน ะ, ะ, ะกรยาแปลว่าความวิบัติอาสาหรือการทรมานนี่ฝนตกนี่ฟ้าร้องนี่แล้วก็แผ่นดินไหวเซนามินี่เป็นกริอยาทั้งหมด ความวิบัติความเสียหายนะครับจะไม่หยุดยังยดย้งที่จะประสบแก่พวกเขาเห็นไมไม่หยุดยั้งที่จะประสบแก่พวกเขาเนื่องจากที่พวกเขาได้ประกอบได้ทำเอาไว้ที่คนกาเฟ่ทำเอาไว้เห็นมนี่อีกวาคหนึ่งนะอีกวาคแรกนะบอกกมุมิน โมมินไม่รู้หรอถ้าอัลลอฮ์จะเปลี่ยนคนเป็นคนดีนะได้ไหมได้ถ้าทัานไม่เปลี่ยนเรกคุณมีงานทํากัน อ, อีกว่ากหนึ่งอธิบายว่าคนกาเฟติทรยศต่รศตตอรอวันนี้รวมถึงมุสลิมที่มีอัศาสาศนาด้วยนะทิทรยศต่ตอรอวันนี้เนี่ยคุณจะถูกลงโทษบ่อยๆลายาจาคุณจะถูกทรมานถูกลงโทษเนี่ยโทษมาบ่อยๆ อ, อ่ะอย่างนี้น้ําท่วม อยุธยาน้าท่วมหลายจังหวัดน้ําท่วมนี่เป็นกรณีอ่ะนะครับเป็นอาญาเป็นการทรมานทําไมไม่ลงโทษให้มันตายไปเลยล่ะอัลลอฮฺสัญญานะเพียงอ่ลลานอายะอื่นว่าอะไรนะอัลลอฮฺจะอะไรนะว่ามาการอัลลอฮุมออาซิบะหุมว่าอันตะฟีหิมมีอยู่สองอายะนะอัลลอฮฺจะไม่ลงโทษทําลายเหมือนคนในยุค ก, ก่อนเหมือนสมัยในบีอะไรนะในบี มูซาตายทั้งหมดเนี่ยอลัลลอ์ไม่ทำครับแต่จะทดสอบแบบนี้แหละนี่แหละแบบนี้แหละให้มีแผ่นดินไหวให้มีเซรนามิให้มีน้ำท่วมแล้วก็มีฆ่ากันยิงกันยึดประเทศนั่นยึดประเทศนี้ให้คนกาเฟตได้สำนึกตัวให้คนที่เป็นมุสลิมไม่เอาศาสนาเนี่ยได้สำนึกตัวอ่านดูต่อไป <c oughs> เอาต่หลุกรีบัมมินดาริฮิมหรือเกิดขึ้นใกล้ๆที่อาศัยของพวกเขาใช่ไหมอย่างพวกเราไี่ถูกใช่ไหมน้ำท่วมที่อื่นน่ะใกล้ๆบ้านเราอ่ะเห็นไหมตรงเป๊ะเลยครับไม่ให้เกิดที่เราแต่ให้เกิดเริมๆร ม, รมบ้าน หรือต้องการจะอธิบายบอกว่าในสมัยนบีก็มีการสงครามเกิดขึ้นฆ่ากันเกิดขึ้นไม่ได้เกิดในบ้านท่านเราเตาเกิดริม ร, มรมิหมู่บ้านท่า น, ไ ม, ามนไม่เกิดที่เราแต่เกิดที่เขมรไม่เกิดแถวแจะเกิดที่เรียดน้มที่ลาวเกิดในมาเลเซียใช่ไหยนี่เป็นอาสาบทั้งหมดเพื่อเตือนคนที่ไม่เอาศาสนาให้กลับเนื้อกลับตัวมายึดศาสนาซะ นะครับรวมถึงคนที่มีอ ي มานอยู่ด้วยอ ي มานเขาจะได้เพิ่มขึ้นว่าโอ้ที่อัลลอฮ์สัญญาในมะิฤูลอานนะั้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับฮัตตายตีอวัดุลลออัจาบนี่นวันมาบ่อยๆนะไปหมดตอไหนครับฮัตตาจนจนกว่าอะไรนะจนกระทั่งสัญญาณของอัลลอฮ์ได้มา ว่าดุลอสัญญาของอัลลอฮ์ในอธิบายยังไงในตัศนิทอธิบายว่าอัลเมาต์จนกว่าความตาจะมาถึงจนกว่าความตาจะมาถึงคลายตายก่อนก็อาซาบไม่เห็นแล้วไปเห็นนกุโบโต่ออาซาบบนดุนยาเนี่ยสัญญาของอัลลอฮ์สัญญาหมายถึงอัลเมาต์หรือวันที่จะมาอาซาบบนดุนยานี่มาบ่อยๆแต่มาไม่แรง มาเหมือนกับเป็นคารเตือนให้คิดฉันอล่อล์ลงโทษแล้วนะแต่เรามองเป็นภายอะไรนะภายธรรมชาติเลยไม่เท่าไรอาบาลกูไปใช่ไหมเราก็มาดีกูตัวเองคนจริงเราต้องกู้ إ มาน ن เราให้มันฟื้นตัวกลับมาน้าท่วมมีปัญหาเดือดร้อนใช่ไหมตัวรองว่าการทดสอบจอากอ่อร น, นี้มีตลอดนะครับ ไม่ถูกกับตัวเองก็ถูกกับคนริมบ้านท่านฮัตตายะติยาวะดุลลอจนกว่าสัญญาของอัลลอฮ์จะมาถึงมาถึงความตายอยู่วันเกียร์มากมาอินนัลลอฮะยุคลิฟุลมีอ่าแท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่คงไม่ทรงอะไรนะไม่ทรงเบี้ยวสัญญาไม่ผิดสัญญาเนี่ยสัญญาว่าจะมีนูน่นมีนี่มีนี่มีนั่น เราทาให้ครบเห็นหมดแล้วนะต่อมาครับวาลากดิตุซีอาบิรุสุลมิงกอบลิกโดยแน่นอนยิ่งลรก็ติดไปวันแน่นอนยิ่งอิสตุซีอบิรุสลิมิงกอบลิกบรรดารซูก่อนหน้านบีมุ h ั m เนี่ยได้ถูกเยอะเย้ยได้ถูกเยอะมาแล้ว ทำไมเอาอาย่านี้มาสอนนบีแล้วมาสอนพวกเราด้วยสอนนบีให้กำลังใจนบีปลอบใจนบีอย่างนาบีตะกี้ถูกเรียกมาใช่มะมคนทำนี่สิเลื่อนภูเขาเออกไปให้คนตายพูดได้ให้อะไรนะ่ะเดินเดินทางไปไหนแบบสะดวกสบายใช่ไหมนบีถูกย่อเยอ้ยอ่ะอานบีทำไม่ได้ไหนเ็นาดับบีเก่งไงแบบนี้เป็นต้น พอนบีถูกย่อเย้ยเนี่ยนบีก็เสียใจพอเล่าอาย่านี้ปั๊บแสดงว่าก่อนหนะ้นานบีมุฮัมมัดที่อคนที่อัลลอฮ์ส่งมานาบีที่อัลลอฮ์ส่งมาถูกเย่ะเย้ยกันมาแล้วนบีก็ได้กำลังใจไอเราก็เหมือนกันวันนี้ทำงานศาสนาเนี่ยถูกดา่า้าถูกฟิชท์นะอัลลอฮ์สารพัดเลยเราทำของดีท่าอัลลอฮ์ ก, ก็ทดสอบใช่ไหมฉะนั้นเมื่อถูกทดสอบถูกเย่อเยอ้ย อ่านคุรา์ญญานอาย่านี้สบายใจวละลากอดิสตุซียาบิรุสุลิมิงกอบลิกโดยแน่นอนยิ่งบรรดาราซูลก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดได้ถูกเยาะเย้ยมาแล้วฟอาอัมไลตุคนที่เยาะเย้ยเนี่ยอลัลลอฮ์เอาเรื่องไหมเอาครับคนที่ด่านาบีม uh ุฮัมมัดอัลลอฮ์เอาเรื่องคนที่ด่าผู้ศรัทธาต่ออลัลลอฮ์อัลลอฮ์เอาเรื่องคนที่ตำหนิดาบบ่าสุฮาบาะนบีอัลลอฮ์โกรธหมด แต่ทำไมอัลลอฮ์ไม่ไม่ลงโทษเลยล่ะเอาดูต่อไปฟาอัมไลต์ฉันได้ประวิงอ่าฉันได้ผ่อนปลนประวิงการลงโทษกับพวกเขาเหล่านั้นนี่เป็นสูตรของอัลลอฮ์แล้วเห็นไหมบางทีบ้านเดียวมีสองศาสนาผัวไม่เอาศาสนาเมียเอาศาสนาอยู่คนเดียวทําไมอัลลอฮ์ไม่ลงโทษล่ะอัลลอฮ์ประวิง ถามว่าประวิงจะดีไหมดีดียังไงรู้ไหมเพื่อจะได้กลับเนื้อกลับตัวถ้าผิดเปรี้ยงลงโทษเลยตยเลยตายเลยตายเลยไม่ดีอีกไม่ดีเนี่ยอย่างเงี้ยดีไหมดีแต่เรารู้ไหมเราไม่รู้เพราะอ่านกูอ่านพูนรู้อ๋ออัลลอฮฺประวิงไว้คนที่ทําชั่ววันนี้อลัลลอฮฺประวิงเวลาเอาไว้ยังไม่ลงโทษ ลิลลาดีนาการูดังนั้นฉันได้ประวิงฉันได้นะใชาว่าฉันนะอลัลลอฮว่าฉันได้ประวิงอลัลลอฮ์เนี่อลัลลอ์ตั้งใจเล่าให้ฟังเลยว่าฉันได้ประวิงเอาไวนะ้นะั่นนะอยู่ข้างบนลนะิลลาดีนากาฟารูบรรดาผู้ปฏิเสธเพื่ออะไรเพื่อให้กลับตัวซุ่มมะอาคัสตูฮ หลังจากนั้นหมายถึงว่าหลังจากตายเราฉันก็จะเอาโทษเขาลงโทษเขาเห็นไหมตอนนี้ประวิงไปก่อนเป็นลงโทษตอนไหนลงความตายมาสิไอเรานะ่มนุษย์ส่วนใหญ่ใจร้อนเนี่ว่าอยากให้เห็นทําตาเลยไอคนที่ด่านาะบีหรือด่าเราเนี่ยเราฉันประวิงประวิงใจเย็นยนใจเย็น ฝากใครฝากกันไหกเพราะฉะนั้นการตอบแทนของฉันเป็นอย่างไรให้ดูตัวไปให้ดูต่อไปว่าการตอบแทนของฉันเป็นอย่างไรขณะ น, นี้อลัลลอฮฺประวิงเวลาไว้ไปเป็นลงโทษแค่นั้นพี่น้องหลายคนเคยพูดว่าปล่อยให้มันลอยนวลทําไมอัลลอฮฺปล่อยให้ลอยนวลอยู่วันนี้น่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าอัลลอฮฺไม่เอาโทษนะเอาแต่ประวิงไว้เจนี้ คนชั่วน ะ, ะยิ่งประวิงมากขึ้นเท่าใดเท่ากับเพิ่มอะไรนะเพิ่มโทษเพิ่มโทษเอาคนมาดายนามาเนี่ยยิ่งประวิงเวลาไว้มันก็มาดายนามาบาปก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไอ้มุมินแหละที่มานามาทุกวันก็บายก็ลดลงลดลงรอวัดมันดีกับผู้ศรัทธาต่อรอนะครับเอาต่อมาครับ อาฟ้ามันหัวกออิมุน على كل نفس بما ك บัตพระองค์เป็นผู้ทรงเฝ้ามองทุกชีวิตกออิมเนี่ยแปลว่าฮาฟีรุนอาลีมุนรอกีบุญคําว่ากออิมเนี่ยโดยะแปลว่าอัลลอฮ์ทรงเฝ้ามองอัลลอฮ์ทรงทรงรักษาทรงรู้อ อะไรนะอาดากุลลีนับสิทุกชีวิตนี่คุยเล่าให้ฟังนะทุกชีวิตที่อลัลลอ์สร้างมาบนโลกนี้วันนีตนนี้กี่พันล้านห0พันใช่ไหมหกพ0กว่าล้านเนี่ยทุกคนอลัลลอ์รู้หมดเลยหมดเลยครับทุกชีวิตตอฟฟี่อธิบายบอว่าแม่แต่ใบไม้ที่ร่วงลงมาจากต้นไม้อลัลลอฮ์กำหนดแล้ววันนี้ร่วงกี่ใบ จากนั้นไม่มีอะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยความบังเอิญเนี่ยไม่มีครับอย่างน้ําท่วมเนี่ยอลัลลอฮ์กำหนดแล้ววันนี้ตายกี่คนอลัลลอฮ์กำหนดใบไม้ร่วงอลัอลลอฮ์อัลลอฮ์กำหนดและไอร่วงแล้วก็คว่ำกับหงายนี่นะอลัลลอฮ์ก็กําหนดเองเพราะหลายคนน่ะรับอิสลามไปศึกษาเรื่องใบไม้ร่วงอย่างเดียวน่ะจ น, จนตนตนตรอก อธิบายว่าชันนี่นะรู้หมดเลยวันหนึ่งใบไม้ร่วงกี่ใบระดูนี่พันนี่ร่วงอย่างนี้กี่ใบกี่ใบรู้หมดเก่งมากเลยนักศึกษามุสลิมถามบว่าท่านครับบางใบมันคว่ำแลยมันวันมันร่วงแล้วมันกรงหายนี่ใครทำะ่ะหายหน้าไปสามเดือนไปศึกษาต่อกลับมาโพสาบสารบัญแต้มาเลยฉันรับอิสลามเลยจนจนต่อครับ ไม่รู้ว่าใครทำใบใบม้าไอร่วงกับหายนะใครใครฉะนั้นไม่มีอะไรบนดุนยาใบนี้ที่จะเกิดขึ้นโดยความบังเอิญอัลลอฮ์ไม่รู้อัลลอฮ์ไม่สั่งไม่มีครับอาญานี่อธิบายชาัดคู่ว่าก้ออิมูนอาลากุลีนับซิมบิมากาซบัตนะครับที่พวกเขาขนขวายที่พวกเขาปฏิบัติอัลลอฮ์รู้หมดเลยครับ นึกในใจอัลลอฮ์ก็รู้พี่น้องทั้งหลายนะครับเอาต่อมาครับต้องการจะอธิบายว่าพวกท่านที่เคารพ บ, บูชาอื่นจากอัลลอฮ์น่ะรูปเจเวตใช่ไหมน่ะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ภูเขาต้นกล้วยที่ออกปีกลางต้นที่ไปบูชากั้นเนี่ยนะ่ะอัลลอฮ์ถามบอกว่าว่าจะรูลิลลอฮิชูรเกและพวกเขาตั้งภาคีเทียมอัลลอฮ์เนี่ยว่าไงว่าไงคนที่ไม่เอาอัลลอ อา ล, ละอัลลอฮ์ลลรู้ทุอย่างเขากลัวแหละไอคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์เนี่ยนึกถึงพระเจ้าที่เขาบูชาอยู่เนี่ยจะว่ายอย่างไงกุลซัมมูฮุมจงเรียกชื่อมันออกมาสินี่อัลลอฮ์ทาเอาเรียกมาที่มัเรียกอะไรเลยใช่มลเรียกอุซาร่าสมัยก่อนดีใช่ไหมล่ะอ่ะสมัยนี้เรียกมาสินี่อัลลอฮ์ทานอัพลกุรอานบอกให้มุฮัมมัดคุยกับคนที่ไม่เอาอิสลามบันนั่งเห็นไหม a l l a h บ Akbar. أم ت ب ئ و ن ه بما لا يعلم في الأرض หรือพวกท่านจะแจ้งจะอธิบายจะแจ้งพระองค์แจ้งอัลลอฮ์นะครับที่พวกท่านคิดว่าพระองค์มีทรงรอบรู้ในแผ่นดินให้แจ้งมาสยางตรงไหนบ้างที่อัลลอ์ไม่รู้นะมีแม่คุณแจ้งมาสักหน่อยดิก่อท้ากันมาตลอดนะครับ อัมบิโรฮิริมมินาลกาวหรือเป็นเพียงคำพูดโอ้อวดลอยๆเท่านั้นเองที่เขาพูดกันอยู่เนี่ยฉันนับถือสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเอาละเอ่ยว่าไปเอาชื่อมาสแสดงออกมาซิว่าเขาเคยช่วยอะไรคุณบ้างหรือเป็นคำพูดลอยๆเท่านั้นเอง บรรดู ย, ยินาลิละดีนักฟารูไม่ใช่เชนั้นดอกดู ย, ยินาลิละดีนักฟารูถูกทําให้เพลิดเพลินถูกทําให้ถูกอกถูกใจแบกแกบ่บรรดาผู้ปฏิเสธซึ่งแผนการของพวกเขาทั้งหมดที่เขาทําทํากันอยู่วันนี้ที่ไม่เอาอัลลอฮ์ามาเป็นพระเจ้าเนี่ยแล้วไปยึดสิ่งอื่นเป็นพระเจ้าเนี่นะ ถูกไซตตอนยุมองดูแล้วเป็นเรื่องที่ถูกอกถูกใจใ ห, หมคำตอบก็คือไชตตอนหมดเลยนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมนั่งกันอยู่ที่บ้านนะหลายคนไม่มีกลิน่นกินอะไรนะ ก, นกินทูบไอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยมันสอนเด็กผีสอนเด็กให้กลัว พอมื่อกินทั่วมาอาคนตายคนตายคนตายไอเด็กก็กลัวสินี่สงสัยจะมีคนตายหรือเปล่านี่เราขอสอนสอนผิดเราเชื่อผีใช่ไหมเชื่อนูน่นเชื่อนี่อะไรพี่มีกินออกมาแต่เล็กน้อยๆเหมือนกินหอมๆเป็นผีมาแล้ววิญญาณคนมาแล้วถามจริงๆแต่วิญญาณคนตายมาหรือเปล่า ถ้ามาณายุ่งนะอายกยกยกตัวอย่างนะเอาละยูซุฟตายแล้วมีภรรยาทิ้งไว้อายุสามสิบยูซุฟตายอายุสามสห้าภรรยาอายุสามสิบยังสาวอยู่นะพอเราตายคบอิดาดีมีบุชาอื่นมาขอภรรยาแต่งงานยกตัวอย่างนะ วันสูกเรากลับมาเที่ยวบ้านเราไอ้บ้านหลังนั้นน่ะสามีคนใหม่มาอยู่ในบ้านแล้วแล้วข้ามาตอนกลางคืนเขากำลังนอนกันอยู่ตายจริงดูภรรยากันนี่มันไปแต่งงานใหม่ทาไมทาวกลับมาดีไหมวิญญาณนะ่ะก็ามามาปูทัวร์เปะ่าแคนั้นอาล็อกแบกว่าไม่กลับแต่ถูกหลอกว่ากลับไอ้ร อ, อ ก, ก็พูดจะกินบุญกันนั่นแหละเรื่องมันแค่นั้นเล่นจะกินขโมกอนะ่ะ กูอ่านว่าไงรู้ไหมว่ามิววารออิหิมบาฏะคุนอิลัยยวมียุบาสูนวิญญาณออกจากร่างไปแล้วลนะเดินหน้าตลอดไปถึงโลกอัลลัมบัาักแล้วก็รอตรงนั้นจนกว่าจะถึงวันเสียมาไม่หวนกลับมาไม่ครับท่านท้าวเนี่ถูกหลอกถูกหลอกแต่แล้วก็เชื่อ ไปนะที่ตัวอยออะไรเล่าๆจํำดีเหลือเกินนะของที่นบีสั่งไม่จมาําเนี่ยของนบีสั่งไม่เล่าต่อของตัวย่อเล่าเนี่ยเล่าต่อแล้วก็ลูกหลานจําไปหมดเลยนะมาร์ครูฮุมวาซุดูอานิสบินตอนนี้ของที่ใช้ตอนนำเอามาเนี่ยนะแล้วก็มาบวกกับคนกาเฟทที่ปฏิเสธอัลลอฮ์อยู่แล้วเนี่ยเป็นไงรู้ไหมอัลลอฮ์อักบัดพวกนี้นี่นะ ยับยังปกป้องไม่ให้ถึงอัลลอฮ์เลยไม่ถึงอัลลอฮ์เลยนะครับแม้จะภาษาพูดก็ไม่ถึงอยู่แล้วนะครับผีมานี่ก็ผิดอยู่แล้วพูดให้ลูกหลานในทางที่ผิดหมดเลยแล้วก็ต่อมาครับว่าไม่ยุดลิลลัลลาห์ฟะมาละหูมินฮัดังนั้นผู้ใ ด, ดที่อัลลอ์ปล่อยให้เขาหลง ถ้าไม่เอาล้อปล่อยให้หลงน่ะเพราะเขาดื้อรั้นเองไม่ยอมหันมาเรียนาศาสนาถ้าหันมาเรียนาศาสนาเรียกว่าคนนั่นไม่นจะคนดื้อแล้วคนดีแล้วแตนี้ถ้าดือ้อเอาล้อก็ปล่อยแต่นี้พอปล่อยแล้วสําหรับพวกเขามีคนแนะนํำไหมไม่มีครับคนนําทางไม่มีมีแต่ยุให้หลงทางตลอดเห็นอย่างถ้าไม่เอาอิสลามถ้าไม่เอานาบี ถ้าไม่เอาซุนนะทางอื่นไม่มีครับ ม, มีอยู่ทางเดียวและชัยตอนก็ยุตลอดถ้าเราไม่เอาไม่เอาซุนนะน บ, บีชัยตอนอยุตลอดเลยเอาอายาสุดท้ายพอแล้วมุนนะ <laughs> งนะและฮุมอาดาบุมมิดดุนยาฟิลฮัยติดุนยาเวลาดาบุลอาฮิรออาชักกุตกลาจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่าสาหรับพวกเขาคือการลงโทษในชีวิตของโลกนี้เอาผมขอยกตัวอย่าง ชีวิตโลกนี้เอาลอดลงโทษ ย, ยังไงผมอ่านหนังสือพื่อประวัเล่าอยู่ๆฟังแล้วนี่ผู้ชายอยู่คนหนึ่งเป็นอุลมามะนะใหญ่นะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ประเทศอังกฤษแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยแบบโรงพยาบาลบ้านเราอะอะไรนะบำรุงราชนะต้องคนรว ย, รวยเข้าคนจนไม่มีสิทธิ์พอเข้าไปรักษาตัวก็ไปพบกับคนต่างๆ น, นั่นน่ละต่างคนต่างรวยจนะพบกัน เขาเห็นอุลามะคนนี้มามองจากการแต่งกายภาษาที่พูดเนี่ยถามว่าเป็นมุสลิมถามคุณเป็นมุสลิมบอกใช่เขาก็เล่าอ่ะเขาเนี่ยนะเดินทางมารอบโลกแล้วคนเดินทางรอบรอบโลกครั บ, บอกเขาไม่มีความสุขมันเงาอ่ะเดินทางมารอบโลกแล้วยังไม่มีความสุขเหง า, นานอยู่เขาก็เล่าอ่ะกินเหล้า ทุกชนิดในโลกนี้ที่ดังๆน่กินมาหมดแล้วก็หาความสุขไม่ได้ซีนาเนี่ยก็ทามาหมดแล้วเดินทางรอบโลกซีนาก็ทำมาหมดแล้วเหล้าก็กินแล้วของหรามทำมาทุกชนิดบนไม่มีความสุขเป็นต้องทราบไหมคนที่เบื่อนะไอความเบื่อนั่นแหละคืออาาบคืออาสาบแต่ผู้ทั้งไม่รู้ นั่งตรงไหนั้าก็เบือ่อเลยเกินเนี่ยดีน่าก็ทำมาแล้วเหล้าก็กินมาแล้วทั่วโลกก็ไปมาหมดแล้วมันเบือ่ออยากจะฆ่าตัวตายอ่ะอ๋อดีน่าคือการเพลิพเดเพณ<อ>ีนถูกต้องอ่ะขนาดเนี่ยคนที่ฟังดูรายการในคอมเม้นตอืมเอาดีดีดีน่าคือการิดประเพณีนั่งเราเบื่อน่ะอยากจะฆ่าตัวตายอ่ะ แล้วก็อุลมะคนนี้ก็แนะนาบอกว่าเออต้องการจะบอกให้รู้ว่าหัวใจคุณคิดอะไรเขา ก, ก็แกล้งถามบอกว่าตาคุณอ่ะมี ม, มีมีไว้ทำอะไรมีเอาไว้มองมองของสวยๆผู้หญิงสวยๆจะชอบมองมากแหละแล้วอุลมะ ก, ก็ถามต่อบอกว่าเคยเอาหูมองบ้างไหมเขาว่าบ้า <laughs> หูยังใช่มองกันหน่อยหูยใช้ฟังอ่ะแล้วก็หูวคุณไว้ทาอะไรหูวก็ไว้ฟัง คนเคยใช้ตาฟังบ้างไหมก็บอกท่านถามอะไรอ่ะเขาต้องการจะอธิบายว่าเรื่หัวใจของคุณวันนี้นะอะไรที่มันเบื่อตาคุณเบื่อหรือว่าหูเบื่อใจมันเบื่อทางหัวใจคุณน่ะคิดอะไรเขอตอบไม่ได้อ่ะท่านอลากกุลามะคนนี้ก็อธิบายบอกว่าหัวใจที่อัลลอฮ์สร้างมานั้นเพื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์เหมือนกับอัลลอฮ์สร้างตามาเพื่อมอง ทำไมคุณไม่เอาหูมองอ่ะวันนี้คุณชาหัวใจของคุณนะ่ะคิดในทางที่ผิดผิดหมดเลยถึงคุณอยู่ตรงไหนก็เบื่อไปนี่ก็เบื่อที่น่าก็ทำมาหมดแล้วเล่าก็ดื่มมาทุกชนิดทั่วโลกก็ไปมาหมดแล้วทั้งว่าเบื่อทำไมฉันไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ในบ้านเข้ามัสยิดออกจากบ้านบ้านมัสยิดไปด่าว่าคนฉันไม่เห็นเบื่อฉันมีความสุขเพราะอะไรเพราะว่า อาลาบิซิคิลาฮิตตมาอินุลกูรูการจำลึกถึงอัลลอ์เท่านั้นทำให้ใจสงบฉันไม่เคยคิดที่จะฆ่าตัวตายเลยเนี่ยอธิบายเข้าใจั้ยเข้าใจมากเลยนี่ไงอาดะบุลละฮูมาจาบุมฟิลฮัยติดุนยาสำหรับพวกเขาคือการลงโทษในชีวิตของโลกนี้เห็นไหมถูกลงโทษแล้วรู้สึกตัวไหมไม่รู้สึกตัว วาลาซาบิลอาคิรอการลงโทษในโลกหน้านั้นร้ายแรงกว่าเนี่ยพอความตายมาถึงคอหอยพับอัลลอฮให้เห็นอาซาบหมดเลยการทรมานทุกชนิดอยู่ในกูโบให้เห็นหมดเลยครับเพราะอยู่บนทุนยานี่มันก็เบื่ออยู่แล้วจะากจะตายอยู่แล้วอาซาบการทรมานในโลก خر, อาคิระอาชักกูแปลว่าอะไรนะร้ายแรงกว่าสำหรับพวกเขา ว่ามาแล้วมินอรอฮิมีวะไม่มีผู้ช่วยให้รอดจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้เลยสักคนหนึ่งอิมานช่วยได้ครับขอบคุณอัลลอฮ์ที่เรามีกุรานเป็นทางนำสำหรับชีวิตนะครับตอนนี้เรามีทางออกแล้วนะถ้าจะไม่ให้เบื่อทำไงรำลึกถึงอัลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์ Allah, มีอยู่กี่อย่างนะสี่อย่างที่อธิบายในตอนต้นหนึง่ง ผ่านอ่านอ่านอ่านมลกุรอานรลึกถึงอัลลอ์สองสอนคนสมเรียนสี si ่รำลึกถึงอัลลอ์ผ่านบทดูอาต่างๆแล้วก็นามาขอพรเนี่ยนะครับับสุานะกบหุ่มมาบิฮัมิลอิลอิลลอันตะอัสตัฟรกวะูบิลัยกุัลมอลัยกุมะ์มะุลลอฮะบรกตุ